สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันสวัสโตพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้ากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าเฝาพระเจ้าที่ตระวิหารพี่น้องครับสองสามวันที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งครับท่านก็ได้โทรศัพท์มาให้กําลังใจผมให้ผมที่จะมีจิตใจที่อยากจะทํานะครับให้พี่น้องได้ฟังทุกๆวันทุกวัน ไปนานๆนะครับท่านก็ได้บอกว่าท่านเองท่านก็อดอาหารอธิษฐานแล้วก็ยังได้ทําตามที่ได้ฟังก็คืออธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับมีการภาวนาปรากฏว่าท่านได้เป็นพยานให้ผมฟังครับทําให้ผมรู้สึกมีกําลังใจเพราะว่าท่านบอกว่าท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับในวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติ กับสมบัติไกลๆก็ชอบนะครับและเงินทองเฮก็ชอบเช่นเดียวกันเห็นไหมครับให้เรามาดูข้อพระเจ้าของพระเจ้าโดยคําสอนของพระเยซูนะครับว่าพระองค์สอนอย่างไรมัทธิวบทที่หกข้อที่สิบเก้าจนถึงข้อที่ยีิบสี่ครับมัทธิวบทที่สิบหกข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบสี่โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าอย่าทําสมทัพยสมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสลิทและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ แ ต, สสแต่จำสมใจจงขังสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลับออกไปได้เพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับพระกัมพีรลูกาก็บันทึกเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในบทที่สิบสองข้อที่สามสิบสามถึงข้อสามสี่ แล้วก็อยู่ในบทที 11, ่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบสี่ถึงสามสิบหกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลูกกาบทที่สิบหกข้อที่สิบสามครับเพิ่งพีมัดคิวและลูกาเน้นบันทึกอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับในตอนเดียวกันในมัดคิวบทที่หกข้อที่สิบสี่ขอโทษข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบสี่นั้นเได้พูดในตัวตอนเดียวกันรวบกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของสิ่งเดียวกันคือทรัพย์สมบัติครับและเงินองทอง แต่ลูกานั้นได้แยกออกเป็นสามครับแตกเป็นสามครับวันนี้เรามีดูกันนะครับว่าลูกาได้บันทึกพระดำรัสสอนของพระเยซูไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพสมบัติครับและเราก็สามารถอ่านในหนังสือลูกาและนํามาเป็นบทอ้างอิงได้และแต่ละบริบทของลูกานั้นก็มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่แตกต่างกันไปแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราเห็นถึงความแตกต่างนี้ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญว่าทรัพสมบัตินั้นเป็นเรื่องที่ ถูกตาต้องใจของคนในโลกนี้แต่ว่าสําหรับพระเจ้าแล้วพระเยซูปรารถนาที่ให้ผู้ที่ติดตามพระองค์หรือเป็นสาวกของพระเยซูนั้นทราบว่าในทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีความยั่งยืนถาวรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกทําลายเพราะมันถูกลักขโมยไปได้เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงสอนถึงทัพย์นักติของพวกเราครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซู จะต้องมีใช้คําว่าจะต้องมีนะครับจะต่อครับย์สมบัติในโลกนี้เพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่เขวไปไม่ออกจากทางหรือว่าไร t r a c ตของพระเจ้าครับออกจากพ้อประสงค์ในการมาถ่ายของโปรง่งเราต้องเป็นเจ้าของเงินทองครับเราก็เป็นเจ้านายของมันอย่ากให้มันเป็นเจ้านายของเราพระเยซูสอนมากกว่า น, นั้นอีกก็คือว่าจิตวิญญาณ น, นั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีเงินทองคอยควบคุมเขาอยู่ ให้เราไปดูในข้อที่สิบเก้านะครับข้อสิบเก้าบอกว่าอยาสัสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้เพียงกับพระเยซูกําลังกล่าวถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกครับในสมัยก่อนนั้นความมั่งคั่งคือการสะสมหรือสัมสมสิ่งขอ ง, งต่างๆเช่นสัสมเหรียญสัส ม, มเมล็ดพืชหรือสะสมที่ดินพระเยซูตรัสว่าของเหล่านี้ครับ มแมลงและฉะนิมอาจจะจัดกินได้ทําลายเสียของเหล่านี้อาจจะถูกลักขโมยนะครับไปได้หรือถูกโองไปได้ตัวมแมลงอาจจะวางไข่และตัวอ่อนของมันจะจัด ก, กินเครื่อง ข, ของผมได้ฉนิมหมายถึงสิ่งใดก็ได้ครับที่ทําให้มันถูกก่อรวมทั้งเชื้อราด้วยนะครับพี่น้องกับวันก่อนนั้นมีน้องคนหนึ่งส่งภาพมาให้ดูนะครับเป็นแบงค์ห้าร้อยเก่าๆนะครับซึ่งถูกนะครับขึ้นราแล้วก็กร่อนไปแล้วนะครับนี่คือ ความหมายของคำว่าสนิมครับสนิมหมายถึงสิ่งใดก็ได้ที่ทําให้ผุกร่อนและรวมทั้งขึ้นลานะครับและในข้อนี้ก็ได้พูดถึงโจรครับโจรที่ทําการขุดช่องและขโมยสิ่งของนะครับสิ่งของสิ่งของที่หมายถึงตัวสิ่งของจริ ง, รงครับตัวบ้านจริงจริงครับที่ทําด้วยกิ่งหิ้งปูนทรายนะครับสามารถที่จะพังได้การขุดเจาะทะลุกําแพงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่ใครก็ตาม ที่จะเข้ามาขโมยของครับบางครั้งก็ตาก็บุกเข้ามานะครับหรือในอดีตนะครับในปวัติศาสกก็มีการขุดนะครับถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นค่าเป็นของทหามบดีข้ า, าราชกาใหญ่ๆก็ขุดอุโมงเข้าไปเป็นขโมยของครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพียครับทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระเยซูหมายความว่าอย่างไรครับแน่นอนครับแตกต่างจากทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับ พระเยซูสั่นะครับบอกว่าสําหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกําชับเขาอย่าให้มีมานะทิฏฐินะครับอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์ปารูที่เขียนไว้ให้กับทิโมธีครับปรากฏอยู่ในหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบเจ็ดถึงสิบเก้าพระเยซูสอนว่าคริสเตียนที่มีตังนะครับมีความมั่งมีฝ่ายโลกอย่ามีมานะทิฏฐิครับหรืออย่าให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเรา พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนรวยจะต้องมีนะครับหลายหลายคนบอกว่าคนรวยทําอะไรนะครับก็ดีไปหมดคนรวยทําอะไรนะครับก็รู้สึกเป็นที่ประทับใจของคนอื่นเพราะว่าเขารูกับใช้เงินของเขานะครับคนมั่งมีขวายโลกนั้นอย่ามีมานะทิฏฐิครับอย่าให้อิจฉาเขานั้นอยู่ในความมั่งมีของเขานะครับเงินทองจริงๆแล้วไม่บาปครับแต่ว่าคนใช้นะครับอาบาปหรือไม่บาปอยู่ที่คนใช้นะครับ เงินทองจริงๆไม่บาเงินทองจริงนั้นเป็นมิลทุกครับถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็จะเกิดผลดีถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็จะเกิดผลไม่ดีนะครับแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราแสดงว่าเราจะต้องให้จิตใจของเราครับจดจ่อและมุ่งหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทรัพย์สมบัตินะครับพระเจ้าผู้ทรงมอบทรัพย์สมบัติไว้นะครับให้เราเฝ้าให้เรารับผิดชอบ เราจะต้องทำตัวได้ระมัดระวังนะครับจะทำดีให้มากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าเห็นแก่ตัวครับนี้เป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตัวเองในภายภาคหน้าเพราะว่าในที่สุดแล้วเราจะไม่หลุดออกจากทางของพระเจ้าครับเราจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงเพียงกับนี่คือ เปเยซูทรงกล่าวไว้นะครับในพรโจนาพระเจ้าในวัตถิ ร, รูปกาและข่านันจานเปาโลรูปเปาโลก็ยังกล่าวไว้ในสิ่งที่โมทิบบทที่หกข้อสิบเจ็ดสิบเก้าที่เหลือพี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าหลายคนก็อาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องฝากานาคารใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสะสมอะไรเลยใช่ไหมในชีวิตของเราเนี่ยก็ไปอยู่วัดอะไรดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอ ก, กนะครับก็ว่าพระเยซูไม่ได้ตําหนิครับหรือผิดเตียนผู้ที่มีทรัพย์สมบัติไหญ่หลวง นะครับและเปียสูก็กล่าวในข้อนี้นะครับว่าอย่าําสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับที่เป็นสนิมและแมลงกินเสียได้นั่นหมายความว่าอย่าเซตพีโอเรตี้ของเรานะครับในชีวิตเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยก็คือว่าต้องหาเงินหาทองสะสมไว้นะครับเพื่อที่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่าให้สิ่งนี้เป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราครับย้าให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต นะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นในชีวิตก็คืออะไรครับรักพระเจ้าครับรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าครับมีชีวิตที่เกิดผลนะครับมีผลฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่คือสิ่งที่เป็น priority มากกว่าเงินทองกับสมบัติครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราจะต้องเลือกนะครับระหว่างเราทิ้งเงินทองกรัพสมบัติและทิ้งพระเจ้าแน่นอนครับเราเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าขอโทษครับเลือกที่จะทิ้งทรับสมบัติครับแต่เราจะเลือกพระเจ้าครับพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่เป็นแพรไวตสูงสุดครับพระเยซูไม่ได้ตําหนินะครับว่าคนที่มีทรัพย์สมบัตินั้นเป็นคนที่น่าเกลียดแต่พระเยซูสอนว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าทรัพย์สมบัติป่โลกสาวกของพระองค์สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติพระเจ้าที่นั่นก็ผมขอพูดสําคัญครับแล้วทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์จะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติรับใช้พระเจ้า โดยการกระทําคุณงามความดีมีสามัคคีธํามกับพระเจ้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยครับคือการสัมสมทรัพ ส, สมบัติไว้ในสวรรค์การสัมสมทรัพสมบัติไว้ในสวนั้นทําไมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับบรรดาชาวโของพระองค์ก็เพราะว่าพระเยซูทรงทราบว่ามนุษย์จะอุทิศตัวเองและใช้กําลังความสา ม, มารถเพื่อเจะดูแลสิ่ ง, งต่างๆที่เขาเรียสัมสมนั้นในก้อยี่สบเอดทั้งกล่าวว่าทรัพ ส, สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องในคช้าวันนี้ว่า สิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของเราโปรดฟังอีกครั้งสิ่งที่อยู่ในใจของเราจะเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของเราเห็นะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราตั้งหลักสิ่งที่อยู่ในใจของเราคืออะไรครับถ้าสิ่งที่ในใจของเราคือพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่กําหนดวิถีชีวิตของเราถ้าสิ่งที่ในใจของเรานั้นเป็นทักษะกรรมก็จะเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราเราจะปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นถูกจูงไปทางไหนครับ เราจะปล่อยให้ใครเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราครับทรัพสมบัติที่เสื่อมสูญไปได้หรือพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกและการเลือกของเรานั้นมันจะแสดงออกมาทัดเจียนครับว่าเราใช้เวลาอยู่กับอะไรมากกว่าอะไรเราให้ความสาคัญอะไรมากกว่าอะไรนะครับและเราเครียดนะครับหรือเรามีจิตใจจดจอ่ออยู่กับอะไรมากกว่าอะไรใ่ครับขอพระเจ้าทรงเมตตาทุกท่านในเช้าวนันนี้อาเมน